แตงโมผีของฝากจากกลางป่า ส, สัมผัสสยองเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของลูกค้าคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าปาชินแกเป็นลูกค้าประจำ คอยมาซื้อมีดที่ร้านนี้อยู่เสมอเพราะป๋าเป็นคนชอบเดินป่าอายุของแกก็ประมาณ 57-58 แล้วแต่แกก็ยังชอบมีดอยู่ถึงจะแก่แล้วก็ตามป๋าชินเคยเจอเรื่องผีทั้งหมดอยู่3มครั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่แกเจอมันทำให้แกเลิกเดินป่าไปเลยย้อนกลับไปสมัยป๋าชินยังหนุ่มๆ ทางบ้านปา่าค่อนข้างมีฐานะบ้านแกเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรการเกษตรทําให้ป่าชินต้องตระเวนไปทั่วเพื่อไปขายเครื่องจักรทําให้แกชอบในการเดินทางไปโดยปริยายแถมแกยังชอบไปไหนมาไหนตัวคนเดียวเพราะรู้สึกสบายใจดีจนวันหนึ่งแกก็นึกอยากเดินป่าขึ้นมาแล้วแก ก็ได้ไปอย่างที่ตั้งใจไว้วันนั้นป้าชินแกไปยังบึงการเพื่อไปปรีเซนต์เครื่องปั่นน้ำแล้วในคืนนั้นเองแกก็ขอนอนค้างเพื่อที่จะนอนเฝ้าอุปกรณ์ต่างๆที่แกนําติดมาด้วยผู้ใหญ่บ้านของที่นั่นก็กระอึกกระอักบอกว่าพักได้แต่ที่นี่ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเมื่อสองสามเดือนที่แล้ว เพิ่งเกิดน้ำป่าและตาลิงมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงป๋าชินก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วแกก็เดินไปเอาของจากตีนหมู่บ้านเดินประมาณสองชั่วโมงได้เพราะถนนไม่ค่อยดีพอแกได้ของแกก็เดินกลับมาจุดเดิมคนเดียวมาถึงจุดเขื่อนประมาณ5้าโมงเย็นแกก็ง่วนกับการเคลียร์ที่กางเต็นท์ จนไม่ได้มองบริเวณโดยรอบซึ่งตอนนั้นที่ด้านหน้าของแกเป็นคลองเต็นท์ของแกก็ตั้งห่างออกบานนิดหนึ่งทำให้เห็นคลองสวยๆพัดไปจากเต็นท์จะเป็นป่ากล้วยต่างๆนานาแล้วแกก็ไปสะดุดตากับบางสิ่งแกได้เห็นร่างร่างหนึ่งยืนอยู่รลางแม่น้ำร่างนั้นเหมือนดำผุดดำว่ายอยู่ และหันหลังให้แกตลอดตอนนั้นแกก็นึกว่าชาวบ้านมาหาปลาคงจะเป็นคนท้องที่ก็เลยไม่ได้ใส่ใจจึงไปเตรียมอาหารเล่าขาวจนถึงเวลาโพเพลเมื่อมองไปยังกลางน้ำก็เห็นลุงคนนั้นยังคงอยู่ป้าชินไม่ได้สนใจเหมือนเดิมแกนั่งกินไปแล้วก็เล่นฝาเล่าขาวที่มีสลัก ดึงเล่นไปมาดังปอกปอกเสียงนั้นมันดังจนทําให้ร่างที่อยู่กลางแม่น้ำหันขวับมามองป๋าชินตกใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้สนใจลงมือกินอาหารที่เตรียมไว้ต่อสักพักก็ได้ยินเสียงคนเดินข้ามน้ำมาก็เห็นเป็นลุงคนนั้นค่อยคอยเดินเข้ามาหาปาลุงแกดูตัวแข็ง เอียงปาเอียงคอแล้วพูดว่าใจดำจังนะพ่อหนุ่มไม่ชวนเลยป้าก็เลยชวนลุงคนนั้นกินตามมารยาทหาแก้วกระป๋องอลูมิเนียมมาเทเหล้าขาวให้กินลุงคนนั้นก็ถามว่าเอ็งเป็นใครละเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าตาเลยป้าชินเลยตอบกลับไปว่าเขามาขายเครื่องปั่นน้ำ แล้วทั้งสองก็คุยกันตามปกติคุยกันไปมองหน้ากันไปปาชินสังเกตเห็นว่าดวงตาของลุงคนนั้นดูดันดนไม่มันวาวก็เลยคิดว่าแกเป็นต้ออะไรหรือเปล่าสักพักลุงคนนั้นก็บอกว่ากินทำไมนะ่ปะปลากับป๋่องกินปลาสดๆของลุงดีกว่า แล้วลุงก็ควักปลามาจากข้างหลังปลาชิมคิดว่าแกล้วงมาจากคลองใส่ปลาก็รีบขอบคุณแล้วเอามาปิ้งกินทั้งสองนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานแต่ปลาชินรู้สึกแปลกว่าปลานี้กินเท่าไหร่ก็ไม่ยิ่มเพราะแกกินหมดตัวที่สามลุงก็ควักตัวที่สี่ออกมาปลาเลยบอกลุงว่า พอแล้วพอแล้วผมเลี่ยนแล้วลุงเลี่ยนแล้วเหรอนี่ลุงมีของหวานด้วยนะพอพูดจบลุงก็ลุกแล้วเดินไปแถวแถวป่ากล้วยไม่นานแกก็อุ้มแตงโมมาลูกหนึ่งลูกขนาดกลางๆป้าชินก็งงแตงโมที่ไหนจะมาโตที่นี่ได้แต่ก็คิดว่าดีเหมือนกันได้กินแตงโมในป่าแล้วแก ก็เอามีดเล่มโปรดประจําตัวของแกมาพาหั่นแตงโมเป็นซิกซี่ป๋าชินก็ยื่นให้ลุงก่อนตามมารยาทแต่ลุงกลับบอกว่ากินไปเอ่อข้าไม่ชอบป๋าก็เลยกินคนเดียวแกบอกว่ารสชาติมันแปลกๆพิกลระหว่างที่กินแตงโ ม, มอยู่นั้นแกก็มองลุงไปด้วยก็เห็นลุงทําท่าทางแปลกๆ เหมือนมองคนที่กำลังนั่งกินของสกรปรกหน้าขยะขยงป๋าชินก็คิดว่าลุงคงไม่ชอบของแกรจริงๆจนแตงโมหมดไปครึ่งลูกปลาก็บอกว่าพอแล้วลุงก็ถามว่าอิ่มแล้วเหรองั้นมากินปลาต่อตอนนี้ปาชินเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมลุงคนนั้นถึงมีปลาเยอะแยะ พยายามมองดูก็มองไม่เห็นคล้องที่ใส่ปลาเลยป้าชินเลยตัดสินใจถามลุงว่าลุงลุงจับปลาได้กี่ตัวเยอะเยอะมากเลยปาก็เลยขอดูหน่อยแต่ลุงกลับเงียบ พ, พึมพำอยู่คนเดียวแล้วบอกว่าอย่าดูเลยเดี๋ยวเสียเรื่องแล้วแกก็ลุกขึ้นลุงต้องไปแล้ว ก่อนกลับอย่ลืมแตงโมนะแล้วแกก็เดินหายไปในความมืดจากนั้นป้าชินก็เอาพวกซากปลาฝังไว้ใต้ดินกลบตามประษาคนเดินป่าพอทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เข้านอนพอแกตื่นขึ้นมาอีกทีก็เที่ยงวันแล้วแกหันไปเห็นแตงโมมีมดมาตอมเต็มไปหมดก็เลยไม่อยากกินแล้ว ปาชินเลยชะโงกมองไปยังป่ากล้วยที่ลุงคนนั้นเอาแตงโมมาให้ก็เห็นแตงโมอีกสองสามลูกเด่นอยู่กลางป่าเลยแปลกใจว่ามีแตงโมในป่าด้วยแต่ปลาชินก็ไม่คิดจะไปเก็บมาเพราะไม่รู้ว่ามีเจ้าของหรือเปล่าหลังจะเก็บของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยปาชินก็เดินกลับเหมือนเดิม พอมาถึงก็เห็นชาวบ้านมายืนรอที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเหมือนพากันมายืนรอรับปาชินผู้ใหญ่ก็เข้ามาถามทันทีว่าเป็นอย่างไรบ้างนอนสบายดีไหมปาชินจึงเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังว่าเมื่อคืนนี้สนุกสนานมากมีคนมานั่งคุยด้วยชาวบ้านที่ได้ยินก็เริ่มลุกจากเก้าอี้ ลงมาหาป๋าชินเข้ามาฟังเรื่องราวด้วยขณะที่ป๋าชินกำลังเล่าอยู่นั้นชาวบ้านก็พูดแรกขึ้นมาว่ากูว่าแล้วแต่ป๋าก็เล่าต่อว่าลุงเขาเอาแตงโมมาให้กินด้วยแปลกมากที่มีแตงโมขึ้นอยู่กลางป่าพอพูดจบผู้ใหญ่บ้านก็ร้องเสียงดังเลยว่าพ่อ แล้วก็รีบวิ่งแปลวูปขาวดำของผู้ชายคนหนึ่งมาให้ดูถามว่าคนนี้หรือเปล่าป้าชินก็บอกไม่ใช่ครับไม่ใช่จากนั้นชาวบ้านก็พูดว่ากูว่าแล้วว่าต้องเป็นลุงออนป้าชินก็สงสัยเลยถามว่าลุงออนเป็นใครผู้ใหญ่บ้านก็มองชาวบ้านด้วยสายตาเหมือนจะบ่งบอกว่า ไม่ให้พูดต่อแล้วแกก็ถามว่าแตงโมที่เห็นอยู่ที่ไหนเมื่อปลาชินบอกว่าอยู่ตรงป่ากล้วยผู้ใหญ่บ้านก็คว้ามือมาจับมือปลาในทันทีแล้วบอกว่าพาผมไปดูหน่อยแต่ปลาก็ยิดออดไม่เต็มใจไม่อยากกลับขึ้นไปแล้วบอกว่าผมเพิ่งจะเดินลงมาใช้เวลาสองชั่วโมง จะให้ผมเดินกลับไปอีกเหรอผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าพ้า ง, งั้นขี่หลังผมไปก็ได้มันจึงทำให้ป๋าชินไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้หลังจากที่ป๋าชินวางสัมภาระไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็เดินไปตัวเปล่าพร้อมๆกับผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นผู้ใหญ่สายตาเริ่มดูซึมๆพวกเขา พากันมุ่งหน้าไปทางป่าเมื่อไปถึงยังจุดหมายป๋าชินก็ชี้ให้ผู้ใหญ่ดูนั่นไงเห็นแตงโมไหมผู้ใหญ่บ้านก็รีบวิ่งไปเลยวิ่งไปหาแตงโมทุกคนก็เดินตามกันไปก็เห็นผู้ใหญ่บ้านค่อยๆเอามือลูบแตงโมเอามือปัดเบาๆแล้วแกก็จับรากแตงโมดึงขึ้นมา แต่รากนั้นมันกลับดึงบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาด้วยสิ่งนั้นมันทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงเป็นอย่างมากรากของแตงโมมันดึงโครงกระดูกขึ้นมาด้วยมันเป็นส่วนกระดูกสันหลังของมนุษย์ติดมาเป็นแผงแต่มีแค่ครึ่งบนเท่านั้นผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าน่าจะเป็นพ่อของเขาเพราะตอนที่น้ำป่ามันไหลหลาก ลุงอ่อนคนหาปลาได้เดินมาชวนพ่อของเขาไปหาปลาด้วยกันแล้วทั้งสองคนก็ไปจับปลาที่ฝายอยู่ๆน้ําป่าก็ไหลมาพ่อกับลุงอ่อนโดนน้าป่าพัดไปหายสาบสูญจนได้มาเจอศพของลุงอ่อนที่ถูกน้ําพัดไปเกือบสองกิโลเมตรศพแก่ โดนพัดไปมากระแทกกับกิ่งไม้จนหลังเป็นรูโบแล้วพวกปลาก็เข้าไปอยู่ในหลังที่กลวงนั้นปลาพวกนั้นว่ายเข้าไปกัดกินเนื้อที่ด้านหลังมันจึงทำให้ปลาชินได้รู้ล้วว่าปลาที่ลุงคนนั้นยิบมาให้กินแกเอามาจากไหนส่วนแตงโมที่ปู่ใหญ่บ้านสงสัยว่าจะเป็นพ่อของเขาเพราะผู้ใหญ่ ได้พาแตงโมให้กับพ่อเขากินก่อนที่พ่อเขาจะเสียชีวิตพ่อของผู้ใหญ่ชอบกินแตงโมทั้งเมล็ดซึ่งแกสันนิษฐานว่าพ่อของเขาน่าจะโดนน้าพัดจนไส้แตกแล้วเมล็ดแตงโมนั้นน่าจะงอกออกมาและนั้นคือที่มาของแตงโมที่ป๋าชินได้กินลงไป สัมภัสยอง